สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและเราจะจบ20กดทองคาข้อที่17นะครับก็คือเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ให้กับเราให้เรารับผิดชอบให้เราทำให้เราเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ เรื่องของการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างภายนอกภายในสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทําสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดความเชื่อในพระเจ้าและการให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดู3หัวข้อเลยพร้อมๆกันครับความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างการเรียกร้องของตัวเองและการเรียกร้องของคนอื่น พของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมพันธิวบทที่7นะครับข้อที่3ถึงข้อที่5มัทีบทที่7ข้อที่3ถึงข้อที่5โปรดฟังพะ j จ c t ของพระเจ้าเหตุไหนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกเหตุไหนท่านจะกล่าวแก่ พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องของท่านได้นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างการเรียกร้องของตัวเองและการเรียกร้อง ให้คนอื่นทำเราจะต้องทำของเราเองก่อนนะครับแล้วจึงจะไปทำของคนอื่นประการต่อไปครับเราเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มนุษย์ครับคือเป็นผู้กระทาความดีนั่นเองพอเจริญของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7จ็ข้อครับพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อสิ จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนี่คือความสอดคล้องกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คือเป็นผู้ที่ทำความดีทากับคนอื่นเหมือนอย่างที่เขาจะทำให้เรา อยากให้เขาทำให้เราอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นกับเขากฎทองคาข้อนี้นั้นมีจุดหนึ่งที่คนทั้งหลายละเลยไปคือเป็นผู้กระทำดีเองครับเป็นผู้กระทาดีเองเราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นกระทำดีเองแม้เราจะอ่านจากพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าเราอ่านผิวเผินแต่ในความหมายมีเรียงลาดับหน้าหลังครับ เมื่อท่านปรารถนาเมื่อท่านปรารถนาหมายความว่าเมื่อท่านตั้งความหวังเมื่อเราตั้งความหวังให้คนอื่นเขาทำดีกับเราเราต้องเป็นผู้ที่ทำเองคือทำดีกับเขาก่อนพี่น้องครับเห็นไหมครับเมื่อเราปรารถนาหมายความว่าเมื่อเราตั้งความหวังให้คนอื่นทำความดีกับเราเราอยากจะให้คนอื่นทำความดีให้เรา เราต้องเป็นผู้เริ่มกระทาความดีให้กับคนอื่นก่อนครับนั่นคือหลักของพระวจนะของพระเจ้าการที่เป็นผู้กระทาดีก่อนก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นที่ยิ่งใหญ่มากเราตั้งความหวังและบวกการกระทา ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมครับพี่น้องความสอดคล้องกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวระหว่างความหวังและการกระทำเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็จะได้ในที่สุดคนอื่นจะทำความดีให้กับเราเรามาถึงข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะครับความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของการมีชีวิตและการดำเนินชีวิต ความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของการมีชีวิตอยู่และการดำเนินชีวิตพระเจ้านาของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7จ็ข้อสิครับมัทธิวบทที่7จ็ข้อต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวข้อ21ครับมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิต TH, ในสวรรค์จึงจะเข้าได้พี่น้องครับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับชีวิตนิรันนั้นต้องใส่ใจและระมัดระวังในเรื่องเรื่องหนึ่งและเรื่องนั้นก็คือ ต้องพยายามแสวงหานา้ำมัธยของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตต้องพยายามแสวงหานา้ำมไธยของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตครับไม่ใช่แค่รับเชื่อเฉยๆก็พอไม่ใช่อย่างนั้นครับคริสเตียนมากมายยึดคําว่าความรอดนิยมแปลว่าอะไรครับก็คือเข้าใจว่ารับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็รับความรอดแล้วก็แล้วกันเรื่องอื่นๆไม่สนใจไม่กระตือรือร้นแสวงหาเรื่องของจิตวิญ ญ, ญาณ ก็ไม่เอาการดำเนินชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดความสมานฉันท์ขาดความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของการมีชีวิตยอยู่และการดำเนินชีวิตถ้าเรามีชีวิตยอยู่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตออกมาครับดำเนินสิ่งที่เราเชื่อออกมา ก็คือการปฏิบัติตามพระไตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั่นแหละครับจะเป็นเครื่องการันตีหรือเครื่องเครื่องที่เป็นหลักประกันครับว่าเราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างแน่นอนถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เอาแต่ความรอดอย่างเดียวและเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ถือว่ารับความรอดแล้วอย่างอื่นไม่สนใจไม่กระตือล้นแสวงหาไม่เติบโตจิตวิญ ญ, ญาณไม่ดาเนินชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงแสดงออกถึงความเชื่อที่แท้ จ, จริงก็นั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจมากพระเยซูทรงเตือนอย่างเข้มงวดว่าเมื่อถึงวันนั้นมีคนจํานวนมากมาร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระเนะในนามของพระองค์ได้ขับผีออกในพนามของพระองค์ได้ทาการอัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือมิใช่หรือมิใช่หรือพระองค์เจ้าข้า เมื่อ น, นั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทาความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพี่น้องครับเรื่องหนึ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายหลายครั้งเรารู้ดีครับแต่เราไม่ค่อยใส่ใจเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเราขาดความกระตือร้ น, นเราไม่ซีเรียส นั่นแหละครับคือความน่าสงสารน่าเห็นใจน่าเสียดายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างที่พ ร, ระองค์ปรารถนาให้เราเป็นอาเมน